วันนี้ก็เป็นวันนะที่เราตั้งกันไว้ว่าเป็นวันนแม่แม่แห่งชาตินะหรือว่าเป็นวันที่เราจะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตวเวทิตาแลนะต่อบิดามัรดาของเราโดยเฉพาะเราเราสมมติว่าเป็นวันแม่ก็เป็นของวัน ของบรรดานะกตัญยูนั้นก็เป็นเครื่องหมายหรือคุณธรรมของคนที่มีความดีนะในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านะก็ตัดไวนะ้แหละว่าผู้ที่มีกตัญยูกตัตเวทิตานี้เป็นมงคลนะของชีวิตถ้าคนใดแล้วไม่มีกตัญยูแล้วก็เรียกว่ามงคลของชีวิตนี่ไม่มีนะไม่มีแม้ว่าเราจะมีอะไร มากมายมีทรัพย์สินสิ่งของมียศตำแหน่งมากมายก็ตามแต่ว่าขาดซึ่งความกตัญญูนะต่อมีดาวบรรดาผู้มีพระคุณของเราแล้วแล้วก็ไม่จะตอบแทนท่านนะถือว่าขาดคุณสมบัติแห่งความดีนะหรือว่าเครื่องหมายของคนที่มีความดีนะเพราะบุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้พระบุตรเจ้าทรงตัดไว้นะตัดไว้ว่า ผู้ที่มีคุณต่อคนอื่นแล้วไม่หวังผลตอบแทนเรียกว่าบุาพการีชนเนี่ยมีดาวบรรดาของเราเป็นบุพการีชนนะต่อลูกของเราเนี่ยนะต่อเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี้รู้จักคุณของท่านแล้วเราก็ตอบแทนนะในความดีของท่านที่ท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบเมื่อยังมีชีวิตอยู่ดํารงมงตกูลเอาไว้นะ ถ้าเกิดท่านจากไปแล้วก็ทําบลอุทิศส่วนกุศลไปให้อันนี้เป็นความหมายของคนที่มีคุณความดีแล้วกรหาได้ยากในโลกซะด้วยเห็นไหมว่าบุคคลทั่วไปก็มีมากมายในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่จะมีกัตตัญญูนี้กัตเวทิตาเนี่ยเป็นคนที่หาได้ยากที่อยู่ในโลกเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะก็คิดว่าเราเข้ามาวัดแล้วนี่ อย่างน้อยคนทุกคนเนี่ยอาตมาก็เชื่อแน่ว่าต้องเป็นผู้ที่มีกตัญญูกระตะเวทีต่อบิดามบรรดามาแล้วทุกคนนะถึงจังเข้ามาวัดเข้ามาทําบุญนะเข้ามาฟังธรรมสมทานศี่นี่นะจะเชื่อในเรื่องของกรรมนะคำกรรมะคือกรรมคือการกระทําทางกายกายกรรม มาจากก็เรียกว่ า, วาจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามาโนกรรมนะว่ากายกรรมนี้มาจีกรรมแล้วก็มโนกรรมเนี่ยเมื่อเราอยู่กั บ, บนาบิดามาดาแล้วบางครั้งก็อาจจะกระทบกระทั่งไปเป็นธรรมดาก็มอถึงวันเกิดก็ดีวันนี้ก็ดีเราก็อาจจะแสดงออกนะ่งการขอขอมานะโทษต่อผู้มีพระคุณของเรานะคือบิดา ธรรดาของเราเนี่ยให้ยกเว้นโทษทั้งหลายนะที่เราได้ล่วงเกินเพราะเป็นธรรมดาว่าเมื่ออยู่รวมกันแล้วนะเมื่อก่อนเราก็เป็นเด็กมีดามันดานะก็เป็นผู้ใหญ่เลี้ยงเอามาต่อมาแล้วท่านก็แก่ชราไปเรื่อยๆให้เราก็เป็นวัยหนุ่มใบสาววัยโตขึ้นมาก็เลี้ยงท่านตอบนะผู้ใหญ่ก็กลายเป็นเด็กไปแล้วเราก็กลายเป็นคนโตไปแล้ว ก็มีกระทบกระทั่งบ้างนะในอารมณ์ที่อยู่รวมกันนะแต่ว่าในใจลึกๆแล้วก็มีกตัญญูกตเวทิตาอยู่แต่ว่าอดไม่ได้่ะม่อยู่ใกล้ๆ ก, ก, กันขึ้นมาเนี่ยนะเก็ขอ ข, อขอมาลาโทษท่านด้วยนะเพื่อเป็นสริริเป็นมงคลนะแก่ชีวิตนะของเราแลวเราก็ตอบแทนคุณของท่านด้วยความระมัดระวังให้มากทีเดียวเพราะว่าคาพูดน้อยๆเนี่ย ของเราเนี่ยนะมันกระทบกระเทือนมากนะนะพูดนิดเดียวเท่านั้นแหละนะพินามบาดานี่จะกระทบกระเทือนใจมากทีเดียวเลยเพราะว่าเกิดมาเป็นผู้ให้ต่อบุตรเสมอนะให้วิทยาทานให้ความรู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะต่อบุตรนั่นแหละนะถ้าบุตรนี้นะพูดจะกระทบกระเทือนแม้แต่น้อยหนึ่งนั่นแหละไม่มากเราจะรู้สึกว่าธรรมดาเไม่เห็นหนักอะไรเลย แต่ปีดาบดารู้สึกโอ้โหมันหนักมากมันเป็นคำพูดที่มีความรุนแรงอย่างมากทีเดียวนี่เป็นความรู้สึกของผู้ใหญ่แะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังทีเดียวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเคยจะเป็นผู้ให้เราต่อมาแล้วท่านแก่ชราท่านเป็นผู้รับจากเรารับดูจากความเมตตาจากเรารับการเลี้ยงดูจากเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยนี่ นะอยู่ที่เราจะต้องดูแลท่านอื ừ, ถ้าเราพูดจ้าอะไรกระทบกระเทือนเนี่ยรู้สึกว่ามันมากมายนะเกินที่ท่านจะรับได้อันนี้เราก็ต้องระมัดระวังด้วยเมื่อเราได้ทําความดีแล้ว <rhythm. S 2> ก็จะเป็นมงคลกับเราพุทธเจ้าก็สรเสรสิญมีตัวอย่างเหมือนกันนรจะเล่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนี้นะเป็นกษัต ร, ริย์อยู่ที่ กรุงราชคฤหนะ์แวคว้นมคธเราเคยไปก็จะรู้ว่านะในประเทศอินเดียแคว้ น, ะวนมคธนั่นแหละกว้างใหญ่มากนะกรุงราชคฤห์นี้ก็มีความอุดมสมบูรณนะ์ในสมัยนั้นนะสมัยปัจจุบันนี้เนะก็เป็นอยู่ในรัฐพิหารของประเทศอินเดียประชาชนค่อนข้างแก่ยากจน่ลนะำบากแต่สมัยก่อนมีความรุ่งเรืองมากเนะพราะสมัยก่อนตามชายทะเลยังไม่มีเมืองใหญ่ๆ สมัยนี้ความเจริญประยู่ตามชายเทเรสสนมากนะเช่นเมืองบุมไบเมือง เ, ออเชนไนอะไรทํานองนี้แหละประเทศอินเดียเนี่ยนะสมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารนี่ตอนพบพระพุทธเจ้าของเราในครั้งแรกพระพุทธเจ้าของเรานี้มีรูปพรรณงดงามมากพระชวิวันก็โปรงใสนะไปที่ไหนก็ประชาชนก็ของเมืองราชคลื่นนี้ก็ไป ติดตามดูมากแล้วก็เป็นที่โจ์ขันกันนะจนไปถึงพระราชาว่าเอ๊มีนักบวช น, นักพทธที่ไหนมาหรือจะเป็นจราชนมาแต่ว่าประชาชนนี้ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดจนพระเจ้าพิมิสารต้องเสด็จมาทอาพระเนตรด้วยพระองค์เองเห็นว่านพระองค์มีรูปโฉมงดงามมากมีพระชวิวันก็พองใสจึงเข้ามาสอบถามก็ด้ความว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นกะสะกุล แล้วก็สารราชสมบัติออกมาบําเพ็ญเป็นเทศนักบวชเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารนี้ก็เหมือนกับสร้างบา ร, รมีมากับพระพุทธเจ้าของเราแล้วเนี่นะก็เรียกว่าจะถวายให้คลองเมืองเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยนะคลองเมืองครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ต้องการเพราะต้องการที่จ ะ, ะสแสวงหาซึ่งความหลุดพ้ น, นพระเจ้าพิมพิสารก็อนุโมทนาด้วยแล้วก็ ตั้งจิตเอาไว้อย่างหนึ่งขอพรพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระองค์ได้สําเร็จดังที่พระองค์ประสงค์แล้วเนี่ยขอให้มาโปรดข้าพุทธเจ้าด้วยนี่นี่เป็นคําที่พระพุทธพระเจ้าพิมพิสารเนี่ขอพรไว้นี่มาพระพุทธเจ้าของเราได้บําเพ็ญบารมีแล้วก็ได้สําเร็จแล้วนะสำเร็จแล้วเนี่ยต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้มาเทศโปรดพระเจ้าพิมพิสารเนี่นะเทศโปรดพระเจ้าพิมิสาร ได้เดินทางมายังกรุงราชคือเนี่ยนะก็แสดงธรรมสอนพระเจ้าพิมพิสารด้วยอนุภูพิกถาคือทานนะคือการบริจาคทานศีลคือการรักษาไก่ว่าจ่าอริสงของทานศีล น, นั้นจะเกิดความสุขก็เรียกว่าสวรรค์นสวรรค์เมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอน นะให้พิจารณาให้เบื่อหน่ายในความไม่เท่งแท้แน่นอนของรูปของนามทั้งหลายนั ก, กนแสดงอริยสัจสี่คือเรื่องของทุกข์ส ม, มุทัยนิโรธนักมรรคพระเจ้าพิมพิสารก็เข้าใจชัดเจนที่ว่าดวงตาเห็นธรรมนะในว่าไดเป็นพระโสดาบาันบุคคลตั้งมั่นอยู่ในไตสราคมนัน ก, ก็อยู่ในสิห้าที่พวกเราได้สมบัติทากันนี้ พระเจ้าพิิศัยก็ต <ší> ั้งมั่นอยู่ในสินหประการนะตั้งแต่นั้นแล้วก็ได้ถวายวัดเวรุวันหรือวัดไม้ไผ่เนี่ยในเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาแล้ววัดนี้เองเนี่ยพระเจ้าก็ได้แสดงว่าวัดปาดิโมกนะณวัดเวรุวันนี้ได้ตั้งกัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายก็ณวัดเวรุวันนี้นะที่แสดงวัดปาดิโมกเราก็คงจะทราบสัพพปะภาษากระนัง กุศลสูบประสัมพทาสจิตต์สจิตต์ประโยชน์ทปนังการนาละบาปหนึ่งะการไม่กระทาบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมนะแล้วก็ทำใจให้บริสุทธิ์เป็นว่าคำสอนนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสสอนอย่างนี้อันนี้พระเจ้าพิมพ์สารนี่นะเมื่อตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดี มีศีลห้าประการแล้วนะต่อมานะัพระองค์ก็นะได้มีพระราชบุตรเกิดขึ้นมานะแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนี่นะตอนที่พรมเหสีตั้งครรภ์อยากจะนะอยากจะสวยเลือดนะของพระเจ้าพิมิสารนีนะ่มีความรู้สึกอย่างนี้ในืประก ร, ร ม, มาแรงมากทีเดียวนนะนี่นะ จะเสวยเลือดเลยพระเจ้าพิมพิสารนีงไม่ลังเลเลยเพื่อพระมเหสีต้องการเช่นั้นนะก็เอามีดบาทนะร่างกายตัวเองเอาเลือดให้พระมเหสีนั่นแหละในดื่มเพื่อจะได้ลดเวทนาลงไปอก็พามก็ทํานายไว้แล้วว่านะถ้าลูกเกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีอันตรายต่อพระเจ้าพิมพิสารนะหรือจะปกง้องชนพระเจ้าพิมพิสารไปอย่างนั้นเมื่อนางตั้งท้องอยู่แล้ว ใช่ไหมนะก็พยายามจะไปทําลายคันมันอย่างนั้นแหละนะทำลายคันก็ออกไปนอกเมืองจะไปทําลายคันนะเอาลูกนี้ออกเสียเพราะว่าเจ้าเป็นอันตรายต่อพระราชสามีนี่นะแต่ว่าพระเจ้าพิมพสารนี้ก็ตามไปอีกห้าวัยนะห้ามไว้นะม ไ, วไม่ให้ทําลายได้ความรักนะลูกในอุทธร์ของเอ่อในพระเมศศีนั่นเองเนี่ยนะนะเพราะว่าทุศิลห้าเนี่ยไม่ทําลาย ถ้าข่าตัวเองก็ฆ่าไปไม่เป็นไรนะเป็นลูกเราก็ต้องรักนะเมื่อออกมาแล้วนี่เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะนะพระเจ้าอาชาติอาชาตสตูตั้งชื่อว่าพระเจ้าอาชาติสตูคือการเกิดขึ้นมาไม่เป็นสตูกับใครนะพระเจ้าสตูนี้จเจริญไวขึ้นมาคราวนี้ก็หลงผิดไปหลงผิดไปอย่างไรพระเจ้าพิมุสานิศรัทธาในพระพุทธเจ้าของเราใช่ไหม นะพระเทวทัตออันนี้พระเทวทัตโยงมงนเจซาบว่าพระเทวทัตนี้ก่อกรรมทําเข็มมากทีเดียวเมื่อพระเจ้าพิมพ์สารเป็นใหญ่ไม่ศรัทธาตัวเองเออแต่ว่านะพระเจ้าพิชาสตูนี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เนี่ยยังไม่มีปัญญามากณัดนะจะทําให้ศรัทธาได้ก็เลยแปลงตัวเองนะแปลงตัวเองเป็นงูไปเลยนะไปพันคอของพระเจ้าช่ยของอาชาสตูกุมารตอนนั้นนะ่ะนะ แล้วเป็นยังไงก็พระเจ้าชาสตูนั้นก็เลื่อมใสพระเทวทัตนิทดินับถือพระเทวทัตนี้เป็นอาจารย์นะก็แปลงร่างกลับมานะเป็นพระเทวทัตะนะเดิมคราวนี้ด้วยการทำํำเลสอย่างนั้นด้วยเจตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทำให้เลสก็เสื่อมลงไปตั้งแต่นั้นน่นแะแต่ว่าพระเจ้าชาสตูนี้เลื่อมใสซะแล้วพระเทวทัตก็สอนไปเรื่อยๆ พระเจ้าศัตรูเรื่อยๆนะถึงว่าทำให้ยึดครองมาก่อนนะต่อไปเราจะไม่ได้ครองราชนาะยุ่ยแยบไปเรื่อยๆจพระเจ้าศัตรูนี้ก็นะหลงผิดตามพระเทวทัตไปอย่างพระพุทธเจา้าจึงอาเสวนาจะพาละนั่งนะการไม่คบคนผ่านพระเจ้าศัตรูนี้ไปคบคนผ่านพระเทวทัตเข้านะ่จึงจะทํากรรมหนักเกิดขึ้นมานี่ยแหละต่อมาก็ได้จับพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละ ขังไว้นะไปขังไว้แต่ในคุกที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะมองขึ้นไปบนยอดเขาคิจกูดุดก็จะเห็นพระพุทธเจ้านะพระเจ้าพิมพิสารก็จะเกิดปีติเกิดปาโมดนะอยู่ได้นะพระเจ้าชัชโชก็สั่งให้งดอาหารเอกนี่ดูดิทำได้ลงคอนะไม่ให้อาหารพระเจ้าพิมพิสารเลยเออพระเมศศีพระเจ้าพิ ม, ออ พ, ม พ, พิมาสารก็ แอบเอาอาหารไปนะัทาไปตามตัวเนี่ยตามเครื่องทรงทั้งหลายนี่น่ะไปพระเจ้าพิมพิสารก็อาศัยเอออาหารที่ฉาบทาไปนั่นแหละอยู่ได้พระเจ้าชัชสุก็จับได้อีกอืมก็ไม่ให้พระเหสีเอ่อเข้าไปของพระเจ้าพิมพิสารนี่เข้าไปเนียบพระเจ้าพิมพิสารนั้นเมื่อไม่ได้รับอาหารก็เดินจงกรมทรงเดินจงกรมภาวนา ก็ยังมีความอิ่มใจมีปิติใจอยู่ได้อีกไม่ตายนะพระเจ้าชัตรูก็เลยทำการเอามีดนี่แหละมานะกรีดพระหัตให้เดินไม่ได้นี่ดูที่ทำกำหนักนะกรีดหัดเดินไม่ได้เลือดก็ออกพระเจ้าพิมสารเมื่อเดินยังก้มก็ไม่ได้ต่อมาอาหารก็มาดิฉันในที่สุดก็สวรรคตลงไปนะตอนสวรรคตลงไปนี่นะ เป็นยังไงบ้างอะวันนั้นก็เป็นวันที่พระเจ้าศัตรูนั้นได้พระาาราชโอรสเหมือนกันนะเมื่อพามบุรุษโลหิตไปรายงานแล้วนะว่าพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตแล้วนัวกพระองค์ก็ได้ราช บ, บุตรด้วยเท่านั้นนะ่ะความรู้สึกของความเป็นพ่อนี่มันผูกพันหนึกซึ้งในความรักลูกจึงรู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นรักเราอย่างไง ที่แรกไม่รู้เลยได้ความหลงผิดนะหลงผิดไปเมื่อรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองก็สายไปนะนะนะพระเจ้าพิมพ์าสายก็ได้สวรรคตไปพระเจ้าชาติศตรูนี้ก็เนียกว่าเสียใจมากนะเสียใจมากทีเดียวแล้วนะก็หันกลับมามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะโอปปหกพระพุทธเจ้าพระเจ้าประสงค์มากทีเดียว สร้างเจดีสร้างวัดสร้างอะไรจานวนมากทีเดียวฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าของเราก็มีจิตใจปิติปลาโมทมากแต่ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าได้ไดทํากรรมหนักก็คือบิดุคขาตถ้าทํากรรมที่เป็นบิดุคขาตฆ่ามีดาม า, าตุคขาตฆ่าบรรดาอันตทาตฆ่าพระอรหันต์แล้วกรรมนี้หนะัก ตายไปแล้วจะต้องตกไปนรกอเวจีในขณะ น, นี้พระเทวทัตทําพระบิดาเจ้าของเรานั้นให้หอพระโลหิตนะทําสง์ให้แตกกันยังอยู่ในอเวจี v G. มหนรกอยู่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าชจตาสตูก็ยังอยู่ในอเวจี v G. มหานรกแต่พระเจ้าพิมพิสารนี้ไปเกิดเป็นเทวดาเนืเพราะว่านั่เป็นมระสวัสดบิบาลบุคคลนิสงบีความนารักรูปราชเจรสมากทีเดียวก็ไม่ทำํำลาย นี่น้ำใจนะของบิดามารดาเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราไปทํากรรมที่หนักนี่แล้วแทนที่จะได้รับความดีเราก็จะต้องได้รับกรรมหนักไปสู่อาบายภูมิตกลงลกไปอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อพวกเราเนี่ยได้มาฟังอย่างนี้ก็พิจารณาได้ว่าโอ้การกระทํากรรมนี้นะอยู่ที่เรานี่เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ย เราก็ต้องระวังการครบค้าสมาคมนะต้องคบกับคนที่เป็นบัณฑิตหรือใจของเราที่เป็นบัณฑิตนะเราต้องพิจารณาใจของเราติดตามดูใจของเรามันคิดดีไหมเออมันคิดยังไงมันคิดเป็นบาปก็ไม่ทำนะคนไหนม า, มาแนะนำเราทางบาปเราก็ไม่ทำคนไหนแนะนำทางบุญคนไหนมาเอ่อให้เราทำบุญกุศลหรือว่าจิตของเราคิดในทางบุญกุศลเราก็ต้องทำอย่างนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่า เป็นกรรมที่ดีเมื่อเราทํากรรมที่ดีแล้วนะ่าดูแลมีดาวบรรดาของเราเนี่ยให้เป็นสุขแล้วนะสุขคติแลนะก็เป็นอันหวังได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่านะเทวดาทั้งหลายก็สรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งกระตั้งไปแล้วว่าเป็นมงคลของชีวิตของเรานะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ยังเสด็จไปโปรดพุทธมารดาที่ดาวบดึงเทวโลก ปเทศโปรสอนอริธรรมเจ็ดคำพีจนพุทธมานดาสำเร็จเป็นพระโสดาบันผู้คนนะแล้วก็เทวดาก็ได้มีดวงตายให้รมจํานวนมากในโปรพระเจ้าสุดทศนะจนสําเร็จพระลรหันนี่อย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างทีเดียวแม้แต่ภาษาดูบุตรพระมหาเถระก็ตามก็ประเทศโปรดมันดาจนได้เป็นได้ดวงตายให้ทำเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็ต้องพยายามตอบแทนคุณบิดามารดาประชีพนี้ ของเรานั้นนะ่ะนะเราที่เกิดขึ้นมาแล้วอาศัยท่านเกิดขึ้นมาในรูปร่างกายนี้ได้ทานอบรมสั่งสอนนะต้นทุนเกิดขึ้นมาแม้ว่าจากนั้นไปแล้วเราจะมีอะไรละหลายๆอย่างมียศตำแหน่งที่สูงขึ้นไปมีเงินมากมายนะมีความสุขเหลือล้นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าสิ่งนี้เราได้มานะจากคุณของบิดามดาที่เป็นผู้ที่ให้การเกิดขึ้นมา นะของชีวิต ท, ท่านจึงบอกว่าเราจะตอบแทนคุณของท่านหมดได้ยังไงนะถ้าตอบแทนคุณของท่านหมดนั้นเราต้องมาปฏิบัติธรรมนี่แหละนะก็คือมีทานมีศีลมีการภาวนาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องอริยสัจสีจนเข้าใจแล้วว่านะรูปนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนะเราปล่อยวางได้นู่นแหละนะถ้ายังมีเราอยู่มีของของเราอยู่ใจ ย, ยังมีอยู่ก็ต้องมีพ่อแม่เราถ้าเรามีธรรมะขั้นสูงแล้วนั่นเราตอบแทนบิดาบันดาได้หมด แต่ว่าคําว่าตอบแทนได้หมดไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรอีกยิ่งรู้จักคุณค่านะของบิดามารดาผู้ให้บังเกิดในะชีวิตของเรามากขึ้นนะเมื่อเราได้สร้างความดีไปอย่างนี้นะมากขึ้นไปแล้วเนี่ยนะจิตของเราจะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปในวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะเป็นวันที่นะพวกเรานะก็จะมาเ ล, ลึกเป็นในคุณของแม่พิเศษ ถ้าไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งเอาไว้วันไหนเป็นวันแม่แห่งชาติเราก็อาจจะไม่ได้มาระลึกละนั่นในคนของแม่ปกติแล้วเราจะระลึกทุกวันก็ได้เราเกิดขึ้นมานี้ในชีวิตของเราได้เลือดได้เนื้อมานี่แหละนะเพราะคุณงามความดีของวคนธรรมด า, าผู้ให้บังเกิดก้าวไปเราเนี้ยเราก็ต้องตอบแทนคนของท่านให้ได้นะทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะบางสิ่งบางอย่าง เราผิดพลาดล่วงไปก็ขอให้ท่านอาภัยแก่เราเราก็ตั้งใจเนี่ยวกัท่านให้ดีทําบุญที่สูงก็สืบไปให้ท่านบำเพ็ญจิตนะภาวนาทําจิตให้สงบนี้ยิ่งเป็นบุญแนะนําท่านนะเพราะบิดามารดาปกติก็แนะนําทางสวรรค์ให้กระบุตรอยู่แล้วแต่บางทีบุตรเข้าวัดบิดามารดายังไม่เข้าวัดก็จะเป็นห่วงก็ต้องพยายามก่อนพยายามที่จะดําเนินชีวิตของเราให้ดีซะก่อน ต่อมาแล้วก็ชักจูงบิดามารดาให้เข้าวัดได้เหมือนบางทีก็มีกุลบุตรลูกหลานบวชเข้ามาตอบแทนคุณของบิดามรดา่านะก็บิดามารดาก็เข้ามาวัดมาบําเพญ็ญมาปฏิบัติมาภ า, าวนาหมนะดที่บวชนั้นก็ได้บุญด้วยบิดามารดาก็ได้บุญจากการประพฤติปฏิบัติภาวนาไปด้วยนะได้บุญได้หลายต่อนะอย่างนี้เหมนตอนพะย์เมื่อเรามีกุลบุตรลูกหลานนะก็ให้มาปฏิบัติ ลูกชายก็ให้มาสมบทเป็นลูกหญิงก็ให้มาบําเพ็ญปฏิบัตินะถือศีลบําเพ็ญภาวนาบทใจเหมือนกันนะเมื่อเราได้ทําอย่างนี้ถ้ากับตอบแทนคุณของวิดายมดามดาเมื่อเป็นวัยเรียนเราก็ขยันเรียนเพียรอ่านศึกษาให้สําเร็จเมื่อเป็นวัยที่เราได้ทํางานแล้วก็ตอบแทนนะมีกําลังกายกําลังทรัพย์ก็ตอบแทนคุณของท่าน ที่ท่านเลี้ยงเรามาก็เลี้ยงท่านตอบนะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราทำอย่างนี้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ชื่อว่าเรานี้มีมงคลอยู่กับตัวเองมีพระที่อยู่ในบ้านบางทีเรากล่าวไหว้พระสงฆ์กล่าวไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์แต่บิดามารดาเรานี่ไม่ไหว้เลยไม่เคารพเลยนี่ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าบิดามารดานั้นเป็นพระ <c oughs> พระก็แปลมาจากคา ว, ว่าวันละแปลว่าประเสริฐเป็นพระพรหมที่อยู่ในบ้านของเรามีเมตตามีกุณามุทิตาอุเบกขาต่อบุตรอยู่เสมอนะมีเมตตามีความหวังดีต่อบุตรนะช่วยเหลือบุตรนะให้พ้นจากความทุกข์มะโรคมีความดีอย่างใดอย่างหนึ่งบินธรรมดามีความอิ่มใจสุขใจนะถ้าลูกหลานทำผิดก็ยังแอภไผ่อยู่อย่างนั้น่ะ นะพยายามว่าวันหนึ่งก็จะต้องกลับมาเป็นคนดีนะพยายามที่สุดเลยเนี่ยเนี่ย เ, เป็นผมของบุตรเป็นพระอาหารหันด้วยนะนะเป็นพระอาหารหันที่อยู่ในบ้านเพราะอะไรเราฆ่าพระอาหารหันฆ่าบิดามารดานี่มีบาปเท่ากันเลยเอาเวจี G, มานรกเลยนี่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนที่จะฆ่าบิดามารดาได้ก็คนที่ไม่มีสติคนติดติดยาเสพติดอะไรทํานองเนีนะ้มากมายเราก็จะต้องเลิกละสิ่งนั้นนะ ที่จะทําให้สติของเราไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งมั่นอยู่ในสติที่ดีระลึกอยู่ในคุณของท่านอย่างนี้นะเราก็จะมีความเจริญนะมีความเจริญในด้านธรรมะทางโลกก็มีความเจริญตามสมควรแก่เราแต่ว่าใจนี้เป็นใหญ่นะใจเป็นใหญ่บางทีเนี่ยเห็นว่าศีเลนะสุกติงยันติศีเลนะโพกสัมปทาเป็นอัออนที่ส์ของศิลเอออันที่ส์ของศิลปศิลนี้เป็นโพกทระซย์ เราจะมองว่านะคนรวยนั้นก็มีเงินทองมากมากก็เกิดจากโกงมาก็ได้เกิดจากต้นข้ามาก็ได้นะค่ายาเสพติดอะไรก็รวยได้เหมือนกันนั่นแหละมองจากภายนอกนั้นก็ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมองภายในใจนะั่นแหละคนนั้นนะมีศีลมีธรรมเราต้องมาวัดเกินตรงนี้ว่าเออคนนี้มีศีล น, นะมีธรรมะนะนี่แหละคนนี้เป็นคนที่มีความดีแล้วนะไม่ใช่จะว่าจะต้องมีเงิน เราทองมากมายอย่างนั้นนะสินนี่แหละเป็นอริยทรัพย์แล้วเราต้องดูอริยทรัพย์ภายในถ้าเราดูทรัพย์ภายนอกนะก็อาจจะดูว่ามีน้อยของผู้มีศินแต่ทรัพย์ภายในนี่นะมีมากทรัพย์ภายในนี่มีมากทีเดียวเพราะว่ามีศินเป็นปกทรัพย์เป็นอริยทรัพย์อันเริฐเพรอทรัพย์ภายนอกนั้นเห็นไหมคนมีมากๆากน้ําท่วมไฟไหม้เกิดเหตุอะไรขึ้นมาทรัพย์ก็หมดไปได้ ไม่ยังไม่แน่นอนเราจะนับถึงยังไงได้แต่ทรัพย์ภายในนี้ไม่มีใครเอของเราไปได้นะวันนี้เรามาสมมาทานซึ่งทรัพย์ภายในมาสร้างทรัพย์ภายในทรัพย์คือทานทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลนะที่พวกเราได้ทำนี่ทรัพย์คือสติปัญญาสมาธิที่เราได้ปฏิบัตินี่เป็นทรัพย์การฟังธรรมนี่ก็เป็นทรัพย์ของเราเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นให้เรารู้จักว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรนะ เพราะว่าเราไม่ใช่ว่าตายแล้วสูญไปเมื่อชีวิตนี้มันดับไปแล้วจิตเนี่ยยังไม่ตายจิตยังไปเกิดอีกนะจิตจะไปเกิดที่ไหนล่ะถ้าเราทําความดีแล้วลึกถึงความดีจิตก็จะไปสวรรค์ น, นี่นะถ้าเราเลึกถึงความไม่ดีทําไม่ดีไว้จิตก็จะไปอาวัชภูมิได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนเราก็ต้องมีคุณงามความดีเกิดจากสิ่งที่เราได้สร้างเอาไว้จากความเป็นมนุษย์เนี่ย เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเถอะนันเราเกิดมาแล้วเพราะเกิดศาสนาแล้วนานได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามสร้างความดีสร้างฐานเอาไว้สร้างศีลเอาไว้ในใจสร้างบุญเอาไว้ในใจสร้างธรรมะให้มีอยู่ในใจของเราเนี่แหละระลึกความดีมากๆฝึกกิตฝึกใจให้ละความโลภที่เกิดขึ้นละความโกรธที่เกิดขึ้นซึ่งมันมีมากระดวงจิตเนี่ยน า, นานแล้วละความหลงที่เค้เกิดขึ้น ลาไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็ลาไปพุ่งนี้ก็ลาไปเมื่อเราลาบไปทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีแล้วนี่เอา้ากำลังกิตสติของเราก็จะมีมากขึ้นเห็นทุกของใจของเรานะที่ไปยึดถือในตัวเราของเราและเกิดความโลภโกรธหลงนี่แหละมันก็ครอบความจิตใจของเรามานานมันอยู่เหนือจิตใจของเรามานานมันเป็นผู้บังคับบัญชาขวัใจของเรามานานแล้วใจของเราตกเป็นท่าของจะโลภจะโกรธจะหลงนี่แหละนะนั่นจะทํำยังไง ต้องพยายามเอาชนะความโลภกดลงในใจของเรานี้ให้ได้โดยการประพฤติปฏิบัติยัาทานหนึ่งศีลหนึ่งภาวนาหนึ่งจึงเป็นหุนทางที่เราจะเอาชนะโลภกดลงได้ถ้าเราเอาชนะได้เราสร้างความดีเอาไว้ปัจจุบันก็มีความสุขตายไปแล้วก็จะไปอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ไม่ไปอไวัยภูมิมันเป็นภูมิที่ทุกข์ยากลาบากเห็นมันรกเปรตอสุรกายสัตว์ริษานะมันทุกข์ยากนะ เราต้องระมัดระวังจิตของเราไม่ให้ไปตรงนั้นแหละถ้าจิตของเราคิดมีโลภมีโกรธมีหลงก็พยายามละยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดนะอดทนเอาไว้นี่เรียกว่ามีศีลยันศีลในกนยจามปกติแล้วเรานั่งอยู่นี่สมาทานศีลก็สบายไม่มีใครว่าเราไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาเราก็รักษาศีลได้ต่อมาเมื่อมีอารมณ์เข้ามานะเราได้ยินเสียงคนเขาว่าเราก็ด่าเราเออคนเข้านินทาเรานะต่างๆเนี่ย เราก็จะรู้สึกอย่างไงก็อาจจะทุกขึ้นม า, มาโมโหขึ้นมาเกิดโทสะขึ้นมาหรือเกิดความโลภขึ้นมาหลงขึ้นมาเราก็ต้องระมราาัดระวังตรงที่ตาของเราเนี่อายตนะภายในภายนอกกระทบกันนี่แหละนั่นเราต้องระมราาัดระวังให้มากที่สุดให้มีสติฝึกสติของเราไว้ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็พยายามมีสติแล้วก็พิจารณาตามตัวจิตหมดไดตามตัวจิตของตอนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมาร น, นาบ่วงของ ามาละก็คือจะทําให้เรามีแต่ความทุกข์ยากลําบากทั้งนั้นแหละเะฉั้นวันนี้ก็เป็นวันแม่แมห่งชาติเราก็ได้กายนี้มาจากบิดามารดาแล้วก็ให้สร้างความดีในอุทิตให้ท่านเมื่อท่านล่วงไปแล้วแล้วก็เลี้ยงดูท่านเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็จะได้มีความสุขความเจริญเป็นมงคลของชีวิตจิตใจของเราเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ได้แสดงพัรนาศาสนามาพอเห็นว่าสมควรเก็บเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศรัชนี สาตู S S